วันนี้วันที่16มิถุนายน๒๕๕าเป็นวันแรกของงานโศกรำลึกของชาวโศกเราอาตมาจำไม่ได้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ ใครรู้บ้างครั้งที่เท่าไหร่เั่านะครับสิบเท่าไหร่ครั้งที่สามสิบสองเหรอหรอ๋อเพิ่งจัดมาปีนี้ปีที่สามสิบสองเองเหร อ, อครั้งที่สามสิบสองก็จัดมาสามสิบสองปีครั้งนี้สามสิบสองน ะ, ะก็จัดมาสามสิบเอ็ดปีนี้ย่างขึ้นสามสิบสอง งานประจำปีของเราก็มีสลายงานเนะาะงานที่สำคัญสำคัญ ท, ที่พวกเราชาวโ่เราเห็นว่าเป็นงานที่จะต้องมาให้ได้ก็คืองานพุทธาพิเศษกับงานปลุกเสกสองงานนี้เป็นงานติวหรือเป็นงานที่ เสริมปริญญาจนเจ็ดวันเดเจ็ดวั น, ว, นวันปีหนึ่งก็มีสิบสี่วันที่เราเสริมน้ำหนักของการศึกษานะซึ่งระบบของจัดการจัดงานที่มีรายการต่างๆที่เสร็จเอาไว้จัดเอาไว้ตั้งแต่เช้าไปจดเย็น ของงานพุทธาพิเศษอากปลุกเสกก็เป็นงานที่ลงตัวแล้วอัตมาว่าลงตัวจัดมาทั้งสามสิบหกสามสิบเจ็ดครั้งแล้วก็ลงตัวที่ว่าลงตัวก็คืออัตมาก็เห็นว่าจำต้องเชา้าแต่เชา้าทําวัดเช้าก็สาธยายทมอันเป็นหลักอสาธยายทำมันเป็นหลัก ตอนนี้อาตมาก็ยังอยู่อาตมาก็เลยเป็นหลักสาธยายทำกันแต่เช้าทุกวันทุกวันจนกลางวัน9ก้าโมงเช้าไปหาก่อนทานอาหารคอนทนอาหารกันก็ก็มีการสาธยายทำกันอีกพอสมควรสำหรับสมณะนักบวชกับสิกขามาช่วยกัน ก็เป็นการเสริมต่อสืบสารจากที่อัตมาได้พยายามที่จะให้เกิดความรู้ในทางธรรมให้มากขึ้นยิงย่งขึ้นยิ่งขึ้นส่วนภาคบ่ายก็มีรายการาปรกิณกะไป <c oughs> เป็นรายการที่เกี่ยวกับธรรมบ้างอาชีพบ้าง อะไรจะไรบ้างก็ว่ากันไปปนเปไปผสมประสานในการเป็นอยู่อก็คลายก็มรุกอง์แปดคลายก็มรุกองแปดมรุกองแปดนั้นมีองค์สังกปัปปวาจาก ร, รมมันต์ตักซึเป็นตัวกรรมที่แท้จริงที่จะต้องประพฤติจริงประพฤติจริง นะสังกปะก็คือด้านความคิดด้านจิตวิญญาณด้านความรู้นะวาจา ก, ก็ด้านที่ออกมาเป็นสังขารระดับที่สองนะจากความคิดซึ่งเป็นมโนภพังขมาทํามานะจากจิตวิญญาณเป็นที่ต้นแล้วก็ต่อมาเข้ามาเป็นวาจาก็นะกคือรายการที่สองเป็นต้น สมาวาจาสมากรรมันตะก็รวมกันทั้งอาชีพทั้งการงานทั้งเรื่องของธรรมะทั้งเรื่องของอะไรรวมกั น, นส่วนอันที่สี่กรรมันตะกนะ็คือการกระทาทุกอย่างส่วนอันที่สี่ก็คือผลผลเป็นอาชีพเป็นชีวิตชีวะอาชีวะชีวิต การรวมชีวิตยังอยู่ตั้งอยู่โดยการงานก็ดีได้ความรู้ก็ดีได้พฤติกรรมก็ดีทุกอย่างได้ความสัมผัสสัมพันธ์กับสังคมก็ดีอาชีพนี่ก็คือยังที่ของตนเองที่ร่วมอยู่กับโลกร่วมอยู่กับสังคมนี่เราเขาต้องสัมพันธ์กับสังคมศาสนาพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสนาสังคมไม่ใช่เป็นศาสนาปลีกเดี่ยวผิดแยก อันนี้เป็นความมั่นใจของอาตมาว่าศาสนาพุทธเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นแนวโน้มของศาสนาอนั้นจะไม่ใช่แนวโน้มที่ต่างจากรัติพระพุทธเจ้ารัติที่ต่างไปจะเรียกว่ารัติเดียรถีนะรัติเดียร์ถีคือรัติที่มันผิดนะมันต่างมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันมีความคิด มีทฤษฎีคนละแนวคนละทางวันทฤษฎีแนวที่อีกอย่างหนึ่งซึ่งมีคู่ไปกับโลกแหละมีคู่ไปกับโลกและต้องให้โลกอาศัยด้วยนะให้โลกอาศัยด้วยที่ว่าให้โลกอาศัยก็คืออทฤษฎีเดรัจฉิหรือสัจัทธิที่ยังไม่ตรงกับพุทธนักหรือต่างกับพุทธอยู่แท้ ไม่ตรงกับพุทธนาืฏต่างกับพุทยอยู่แต่แกลก็คือนักทิที่ออกไปป่าไป ป, ไ ป, ปฏิบัติธรรมโดยปริบแยก่ถึงกับมีผู้รู้และพยายามสร้างโครงสร้างของศาสนาพุทธเอาไว้เลยว่าจะต้องสร้างตนในการปลีกแยกตัวเองไปอโดยไปอยู่ป่าเขาทําแล้วก็บําเพ็ญสมาธิบําเพ็ญจิตให้แข็งแรง จนกระทั่งมีฐานของจิตแข็งแรงแล้วจึงจะออกมาสู่สังคมมนุษย์นะและก็มาเชื่อมโยงกับสังคมมนุษย์ถือว่าการต ร, ร, รัสรู้หรือว่าการได้บรรลุธรรมานั้นได้จากการนั่งสมาธินะการทำสมาธิแบบนั่งและก็อยู่ไปเข้าไปอยู่ในภวังโดยเข้าใจความเป็นสมาธิ คือการนั่งหลับตาแลว้ว ก, ก็สะกดจิตเข้าไปอยู่ข้างในแลว้วก็ศึกษาจนกระทั่งจะเกิดภาวะของเจโตภาวะของปัญญาเป็นการการเกิดเองนั่งสมาธิไปเถอะและทุกอย่างจะขึ้นมาเองเกิดมาเองแลว้วก็จะบรรลุเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาก็เชื่อว่าเช่นนั้นเพราะว่าลักษณะของศาสนาพุทธนั้นถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลัก พระพุทธเจ้าผู้บัตรขึ้นก็ปฏิบัติธรรมก็ออกป่าปฏิบัติธรรมเริ่มปฏิบัติธรรมเรื่องออกป่าไปอยู่ป่ามาเป็นหกปีแล้วก็ค่อยเข้าเมืองค่อยมาโปรดค่อยมาสร้างาศาสนาเขาก็ถือว่าอันนั้นเป็นแบบอย่างถือว่ า, าพระพฤติอย่างนั้นเป็นแบบอย่างของาศาสนาก็เข้าใจาคร่าวๆง่ายๆอย่างนี้ซึ่งความจริงมันมีภาวะ ซึกซึ้งซับซ้อนนะพระพุทธเจ้าที่ท่านต้องเป็นอย่างนั้นวิบากเป็นวิบากของท่านและก็เป็นลักษณะของธรรมะนะธรรมะนั้ น, นเวลาเกิดสิ่งที่พาเกิดอยู่ก็คืออวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้เพราะงั้นพ้ที่มาเกิดนี่จะมาเกิดด้วยความไม่รู้เป็นหลัก ภุมติจ้าก็ตรัสว่าอะไรภาเกิดก็อวิชาเป็นตัวภาเกิดคือเกิดอย่างไม่รู้พระผู้ที่เกิดอย่างไม่รู้ก็เกิดมาก็เริ่มต้นไม่รู้ก่อนเมื่อเกิดด้วยความไม่รู้ก็เริ่มต้นด้วยความไม่รู้แล้วก็ค่อยรู้ขึ้นการจะรู้ขึ้นนั้นผู้ที่มีความเป็นของตนเองเป็นของเฉพาะตนเองได้ว่ามีอยู่แล้ว เกิดแล้วเป็นแล้วสร้างบารมีไว้แล้วสิ่งที่มีแล้วในตัวนั้นดาศัพทสำหรับผู้ที่มีสูงสุดก็เรียกว่าสยามภูคือพระสมมาสัพพุทธเจ้าที่ได้ทรงบาเพ็ญมาแล้วนานับชาติและก็มีบรมีบารมีนั้นเป็นภูมิธรรมของตัวเองแล้วพร้อมแต่เมื่อมาเกิดก็มาเกิดด้วยสิ่งที่เรียกว่าก็ต้องมาเกิดด้วยอวิชชา เขามาเอาวิชาไม่ได้มาความว่าเป็นผู้มีผู้โง่แต่มาเกิดตามที่บอกมาเกิดตามเหตตามปัจจัยตามจัดทิศทางที่อันนี้อาจามาอธิบายไม่ไม่ไม่ไม่ได้ว่าต้องมาเกิดด้วยความไม่รู้แม้จะเป็นพระสมมาส ร, ราะพุทธเจ้านะยังใครศึกษาประวัติพระพุทธเจ้ามาก็ลองฟังดูดีๆนะ อย่างพระสมณโคดมนี่เกิดมาเป็นเจ้าชายจิตตะตาก็มาด้วยความไม่รู้เกิดมาเป็นเจ้าชายจิตตะตาก็ไปตามนไปตามบิดบาปไปตามที่บาปไปตามสิ่งที่เป็นเนื้อต้นที่จะนําพาให้เกิดไปเหมือนกับเด็กเนี่ยเกิดมาแรกแรกเกิดแกก็ไม่รู้เรื่องอะไร พอโตมาหน่อยนั่นก็ค่อยๆรู้ความรู้ภาษีภาษาใช่ไยังไม่ค่อยเดียงสาไปอ า, อายุหนึ่งขวบสองขวบสามขวบก็ม่ค่อยรู้เรื่องเจ็ดขวบถือ ว, ว, ว่าเริ่มพอมีเดียงสาระคีของการีเกิดเลขเจ็ดเนี่ยเป็นเลขที่เขาสุภาว่าที่จะพัฒนาขึ้นมาสูรอบที่เป็นสิ่งนั้นอเกิดมาเป็นรอบที่จะเป็นสิ่งนั้น มันก็จะถึงวาระนันมาเรื่อยๆนั่นแล้วค่อยๆโตเต็มเป็นเก้าเจ็ดแปดเก้าน้อาตมาขอไปเร็วๆหน่อยตรงนี้นไม่ขยายสังขยาเลขสามแล้วก็หกแล้วก็เป็นเก้าเนี่ยไม่ไม่ขยายนะสามเส้าเนี่ยฟังโดยปริยายทำความเข้าใจเอาเองก็แลยการผู้ที่มีพื้นฐานผู้ไม่มีพื้นฐานขอไป พอเราเริ่มเกิดมาเจ็ดขวบขึ้นไปแปดขวบเก้าขวบเรก็ค่อยรู้ความถือว่าเด็กที่ยังไม่ถึงเจ็ดขวบนี้เป็นเด็กไร้เดียงสาจริงๆเพราะฉะนั้นเด็กที่จะที่มีรู้ความแล้วก็ได้ได้ความรู้จริงๆหรือแม้แต่จะเริ่มต้นกระสู้เห็นผู้รู้ความถึงท่านอรหันได้อายุเจ็ดขวบขึ้นไปถ้ายังไม่ถึงเจ็ดขวบไม่มีจิตจะ บรรลุอราหันต์ได้ยังไม่เต็มยังไม่เต็มรอบที่จะรู้ความเจ็ดนี่เป็นเลขเป็นเลขเริ่มจเจริญหรือรู้ความในจุดใดก็แล้วแต่ในจุดใดก็แล้วแต่เช่นโพธิสัตว์เนี่ยบำเพ็ญมารอบที่หนึ่งสามหนึ่งเป็นโพธิสัตว์หนึ่งสองสามเป็นนาคาเป็น จากอนาคามีขึ้นไปจนกระทั่งเป็นอนิยตะ์อีกสามหกเป็นหกเป็นประิศาสที่ยังไม่เดียนสาหรอกนะแต่ก็ต้องโตมาหรือพัฒนาขึ้นมาตามลําดับอย่างแท้จริงพอถึงเจ็ดต่างที่เจ็ดในเป็นเจ็ดเดียนสาแล้วสามารถที่จะรู้ความรู้เรื่องเต็มรู้เรื่องครบรู้เรื่องสมบูรณ์รู้เรื่องถูกต้องเพราะฉะนั้น พระโพธิสัตว์ขออภัยสําหรับผู้ที่ถือสาในเรื่องที่พูดไใ้เรื่องเกินขอบเขตที่มนุษย์จะพอรู้ได้มันเป็นอุตริมนุสธรรมเป็นธรรมะที่เหนือสามัญ น, นะก็ขออภัยสําหรับผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่ว่าวันนี้วันสําคัญใ น, นวันงานาโสงรมรึกก็ขออธิบายเล่าเรื่องพวกนี้คือเป็นอจินไตยพอสมควรให้ฟังพอเริ่ม ภาคางที่เจ็ดหรือรอบที่เจ็ดก็จะเป็นรอบที่แม่แต่ผู้ที่เป็นคนก็สามารถมีความรู้ได้ถึงขั้นประจรูเป็นอรหรันต์เ็นได้ยุคพระพุทธเจ้า ก, ก็มีอรหันต์ตั้งหตอายุเจดขวบขึ้นไปนเพราะงั้นความสมบูรณ์ของรูปและ น, นามความสมบูรณ์ทั้งด้านกายและใจมันครบทั้งสรีระ มันครบทั้งวิญญาณที่จะออกมาทํางานได้พอสมควรเพราะฉะนั้นผู้มีบา ร, รมีพอรอบที่ 7, อเจ็ดขาไปต้องยกตัวอย่างตนเองยักษ์อัตมาเนี่ยเป็นโพธิสัตว์ที่มีรอบที่เจ็ดที่จะรู้อะไรครบในเรื่องของศาสนาถึงขั้นรอบถึงขั้นรอบอรหัตผลเพราะฉะนั้นจึงมาสาธยายธรรมะในรอบถึงขั้นอรหัตผลได้นะถ้า พระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ถึงขั้นเจ็ดเป็นอนินยตะโพธิสัตว์อยู่เนี่ยก็จะมีโพธิที่ยังยังลําบากอยู่นายะยังจะทวนจะรอบจะถูกต้องครบคันไม่ได้ต้องนิยตะขึ้นไปเนยตะโพธิสัตว์ระดับเจ็ดขึ้นไปส่วนแปดส่วนเก้าก็ขอผ่านจะไม่ขออธิบายเพราะว่าจริงๆมันก็เกินภูมิอัตมาใช่ไหมอัตมาไม่ได้อยู่ในฐานแปดฐานเก้าอะไร ก็อยู่ในฐานเจ็ดนะเพราะงั้นในสิ่งที่อาตมารู้และเอามาพูดสู่กันฟังนี้จึงเป็นความรู้ที่ก็รู้เราๆไปกันแล้วกันนะอย่าเพิ่งไปยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วก็อย่าไปสมมติ ต, ตนเองว่าตอนเองเป็นอันนั้นเป็นอันนี้อย่าไปสมมตนะิเราเป็นตัวสมมติตรงอยู่แล้วอย่าไปพึงสมมติ ต, ตนเองเช่นนั้น อพยายามปฏิบัติทำไปโดยเอาใจใส่สิ่งที่มันจะเกิดมันจะเป็นมันจะมีได้ขึ้นมาแก่ตนนั้นถ้าทําเป็นสัมมาสมาธิสัมมาปฏิบัติผลสัมมาปฏิเวสก็ต้องเป็นสัมมาก็ต้องเป็นสัมมาผลอย่างแท้จริงนะเพราะงะนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องไปอหลงว่าตัวได้ตัวมีตัวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ต้องรู้เราไม่หลง เราต้องสานึกเสมอว่าเราอย่าหลงนะแม้เราจะได้จะมีจะเป็นก็อย่าหลงเป็นอันขาดต้องถือว่าได้แล้วก็สำทับว่าเออได้นี่มั่นคงหรือยังมากเพียงพอหรือยังเต็มสมบูรณ์หรือยังถ้ายัางไม่เต็มเราก็ทำไปเรื่อยวยความภาคเพียรอย่าหลงตนอย่าประมาทว่าเราเป็นนมีมีก็ดีก็พยายามตรวจสอบสิ่งที่เป็นที่มีของเราไปเท่านั้น ถ้าเต็มแล้วเราก็เพิ่มอธิเพิ่มอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาไปตามลําดับนะศีนที่เป็นอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยหรือแม้แต่อธิมุดอธิมุดเขาไม่ได้พูดกันแต่ก็มีพยัญชนะคําว่าอธิมุดโตอธิมกโคคือเป็นอธิที่จิตในระดับ หนึ่งสองสามสี่อธิศีนอธิกิตอธิปัญญาอธิมุตหรืออธิโมกโคเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นตัวที่สี่ใช่ไหมเป็นตัวที่เริ่มเกิดขั้นต่อไปท่านก็แปลความหมายจากพยัญชนะของอธิมุตโตว่วามีกิจโน้มนอมไปก็มีกิจโนมไปในทางไหนก็คือไปในทางทิศที่จะเป็นทางสูงทางเจริญ เพราะั้นถ้าเอาใจใส่ฐานสี่เนี่ยจุดสี่เนี่ยถ้าเอาใจใส่เขาจะขึ้นเป็นห้าถ้าห้าถ้าขึ้นไปได้อีกน้ําหนักของเนื้อหาสาระมันเพิ่มขึ้นไปอีกจํานวนหนึ่งถึงเลขห้าเนี่ยเลขห้าเป็นเลขกลางของระหว่างสิบแต่เป็นเลขข้ามจุดครึ่งของเก้าห้านี่เป็นเลขข้ามจุดครึ่งของเก้าใช่ไหม เก้นะเป็นตัวสูงสุดในความมีถ้าสิบเป็นตัวเต็มจะมีหรือไม่มีก็เป็นอม ต, ตะแล้วไม่เกิดไม่ตายศูนย์นี่ไม่เกิดไม่ตายนะเพราะงั้นศูนย์เราไม่ต้องไปกล่าวถึงศูนย์เป็นตัวผลตัวสําเร็จอย่างเดียวเพราะฉะ น, นถ้าเราจะทําให้ได้สึงที่สุดเราต้องาพากเพียงให้ถึงเก้าเต็มเก้าแล้วจบเต็มเก้าแล้วจบ เต็มเก้าแล้วไปไหนอยู่ไหมตัวน้อยหนึ่งสองสสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าแล้วอะไร 10, ะสิบเอศูนย์จะหาหนึ่งสองจะดปเก้าอ่าทานนสิบถ้าสิบก็ต่อถ้าศูนย์ก็จบน่ามันก็เป็นเช่นนั้นนนี่เป็นเรื่องของสัจจะที่รู้ไม่ง่ายแต่ก็เป็นหลักที่พอจะใช้ เป็นบันไดในการศึกษาในการที่จะสร้างสรรค์อะไรได้โดยจังากสังขยาเลขนี่เราก็รู้เก้าหนึ่งสองสามมันระยะเก้ามัระยะที่มันเสริมเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพเพิ่มลักษณะอะไรก็ได้อยู่ถ้าลดก็ถอยหลังนะเจ้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอะไรก็คือลดคือถอยก็เป็นสิ่งที่วัดค่าเป็นมาตราการวัดลักษณะทั้งรูปและนามอะไรก็ได้ทั้งสิ้นน ตอนมาถึงลักษณะเพิ่มเป็นเลขที่4ีเนี่ยังเป็นเลขที่จะต้องพัฒนาต่อถ้าผู้ใดปฏิบัติธรรมแล้วศีลสมาธิปัญญาองค์สามเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทำให้มันเป็นวงจรของศีลสมาธิปัญญาที่จะเกิดวงจรทำให้เกิดสมังคีและเป็นความสัมพันธ์น อันได้ประโยชน์อันได้ครบเกิดอธิศีลสนับสนุนส่งเสริมไม่ปรรัญญาปัญญาสนับสนุนศีนสีนเกิดเกิดจิตเป็นอธิจิตขึ้นมาพอเออธิจิตได้เป็นฐานเนี่ยเป็นฐานนั้นก็เป็นตัวตั้งเป็นอัปปนาธาตเป็นธาตุอัปปนาธาธาตุตั้งมั่นก็เสริมขึ้นมาเพิ่มอธิศีนพอเอ่มอธิศีนขึ้นก็มีอธิปัญญาช่วยสนับสนุนกันอีก อธิปัญญาปัญญากับศีลเป็นแม่กับพ่อที่จะช่วยกันทําให้จิตเกิดอจิตก็จะเกิดขึ้นตามอธิปัญญาอธิศีลอธิปัญญาที่ศีลช่วยกันสัังเคราะกันศีลกับปัญญานั้นจะช่วยกันเหมือนมือกับล้างมือมือล้างมือล้างเท้าที่ช่วยกันุนามือก็ขัดมือล่เท้าขัดเท้าอะไรล้างเท้าก็ะช้างมือล้างเท้าขัดสีชวีวันช่วยกันให้ เกิดอธิจิตขึ้นมาก็าจะเกิดลักษณะพวกนี้อย่างนี้ช่วยกันเกิดเริ่มต้นเกิดไปเรื่อยๆก็เสริม เ, เสริมสมภาวะที่จะพัฒนาขึ้นเป็นสีได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็คือเขาเพิ่มอธิมุตโตอธิสีนธิจิตอธิปัญญาจะเกิดเป็นอธิมุตโตเป็นความหลุดพ้นมุตตะเป็นความหลุดพ้นหรือมุตตะแปลว่าความรู้ มุตตะหรือโมกตะนี่แปลว่าความรู้นะอธิมุตโตก็มีความรู้ยิ่งขึ้นหรือเป็นความล่วงพ้ปเป็นความหลุดพ้นเป็นความผ่านผ่านจุดต่ําขึ้นไปสู่จุดสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เ, เ, เป็นลําดับลําดับลําดับมื่อเกิดสี<า>เกิดจะเพิ่มสี่ขึ้นไปเป็นห้ า, าเพิ่มสีขึ้นไปเป็นห้าเราไปเรียกอธิแล้ตอนนี้ เราเรียกเต็มละอเรียกเราจะเรียกอภิก็ได้เรียกวิก็ได้อภิหรือวิปิดอภิก็ยิ่งวิก็ยิ่งแต่จะว่าไปแล้ววิเศษอภิก็ยิ่งนเต็มนเพราะงั้นเมื่อถึงอภิก็เป็นอภิได้สารพัดอภิสังขารก็ได้อ อภิอภิอภิปัญญาอภิอะไรอะไร เ, รอเยอะแยะนะอภิอิานคานอภิปัญญาอภิอะไรอีกนะก็จะเสริมขึ้นมานะสิ่งที่ค่อยๆเกิดเติมขึ้นมาเติมขึ้นมาเป็นขีดเป็นขั้นก็คือความเป็นกับปัญญา จะต้องคู่กันเสมอคือเจโตกับปัญญาความเป็นนั้นเกิดมาแต่จิตแต่มโนมโนปุพังก็มาธรรมามโนเสถามโนปนัมโนมยามโนมยาคือสําเร็จด้วยจิตมโนเสถาก็คือเจริญด้วยจิตเสถาก็คือความเจริญความเติมเต็มความพัฒนาขึ้นไปด้วยจิตเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นผู้ที่จะศึกษา อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะศึกษาในทางโลกศึกษาในทางธรรมต้องเอาจิตเป็นหลักจิตเราต้องรู้ว่าจิตเราปรารถนาอย่างไรทีนี้การอ่านจิตเนี่ยความรู้ของศาสนาพุทธนี่สมบูรณ์มากสมบูรณ์ครบใครจะหาว่าอาตมาหลงศาสนาพุทธก็แล้วแต่อาตมาก็ก็เชื่อมัน่นเช่นนั้น ศาสาศนาพุทธนีชัดเจนในเรื่องของจิตปัญญาหรือจิตใจหรือมโนชัดเจนในเรื่องของจิตเนี่ยจิตเจตสิกรูปนิพานเนี่ยเรียกว่าอภิธรรมนะอย่างธรรมะก็เรียกวอภิธรรมอภิปัญญาก็เรียกว่าตัรรวปัญญาอภิธรรมก็เรียกว่าเจโตธรรมะนี่คือสิ่งที่ทรงอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทรงไว้เป็นหลักจริงๆของอัตภาพของสัตว์โลกก็คือจิต จิตหรือวิญญาณหรือมโนนี่แหละก็คือเป็นตัวตั้งเมื่อเกิดเป็นจิตนิยามแล้วะเรียกว่าเป็นจิตนิยามหมายความว่าเกิดมาเป็นพลังงานชนิดในระดับที่เรียกว่าจิตนิยามก็คือความเที่ยงแท้หรือลัทธิก็แล้วแต่เถ อ, อะลัทธินั่นแหละเจ้าลัทธิหรือมีลัทธิอะไรขึ้นมาก็เป็นทฤษฎีขึ้นมาเป็นหลักเกณฑ์ขึ้นมาอเป็นอง์รวม ที่เป็นลักษณะเกิดลักษณะความเป็นสภาพเขาเป็นสภาพนั้นแล้วอ่าอภิธรรมคือตัวหลักของจิตหรือเจโตอภิปัญญาคือความรู้นะที่ประกอบประกอบกันนะประกอบกันอภิธรรมกับอภิปัญญาหรืออภิเจโตนี่แหละอ่ะ คือเสือภับพิเจตอตอธรมาก็ไม่เคยได้ยินเนะก็พูดกันมาแล้วก็ธรรมก็พูดออกไปตอนนี้นะคือจิตนั่นแหละนะอภิน ะ, นะเป็นลักษณะของจิตเป็นเลยเป็นลักษณะนั่นเองเลยว่าอภิธรรมะทรงไว้การทรงไว้นี่นะในเรื่องของจิตนิยามในเรื่องของพลังงานในระดับจิตนิยามเนี่ยทรงไว้ก็คือจิตหรือมโนหรือวิญญาณไม่มีอื่นเลย จะทรงไว้อันนี้ถ้าสลายก็คือสลายอันนี้สลายอัตภาพหรืสลายลักษณะของพลังงานระดับจิตนิยามอันนี้ไปเลยไม่เหลือแม้แต่จะเหลือเป็นสัตว์โลกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์เซลล์เดียวเป็นสัตว์หลายเซลล์ก็ตามไม่มีปริเิปพานแล้วสลายศูนย์ไปเลยปรินนปทานแล้วศูนย์ไปเลยไม่ ก, อกอ่อไม่ก่อเกิดมาโดยทางพัฒนาการที่อันนี้อัตมาก็ พอลำบางลำไรแต่ยังเข้าใจไม่ละเอียดที่มันจะก่อเกิดพัฒนาจากผีชะนิยามมาเป็นจิตนิยามเนี่ยอาตมายังไม่รู้จุดต่อว่ามันมีเหตุปัจจัยอะไรที่จะจากผีชะขึ้นมาเป็นจิตตะผีชนิยามมาเป็นจิตตะนิยามได้เพราะชีวะขั้นผีชะเป็นพลังงานระดับชีวะแล้วยังไม่เป็นเวทนายังไม่เป็นวิญญาณผีชะ เพราะฉะนั้นถ้าเผื่ว่าได้พัฒนาเหตุปัจจัยไปอีกจนถึงรอบรอบหนึ่งก็จะเกิดเป็นจิตนิยามจากพลังงานนี่แหละพัฒนาขึ้นมานะพัฒนาขึ้นมาซึ่งอันนี้อาตมายังไม่มีความรู้พอที่จะสาธยายสู่ฟังว่ามันมีจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนหรือจุดร่วงพ้ น, นร่วงพ้นจุดที่สมติกกรรม ร่วงพ้นเขตนี้ออกมาจากพีชานิยามมาเป็นมาเป็นลักษณะของพลังงานระดับจับตัวเกิดขึ้นมาเป็นจิตนิยามเนี่ยเมื่อเป็นตัวแรกรู้แต่ว่าก็เริ่มต้นเป็นเซลสัตว์ที่แยกออกมาจากพีชะนะก็แยกออกมาพอะแยกออกมาแล้วเป็นตัวของตัวเองยิ่งขึ้นกว่าพีชะ พีชายังไม่ยังไม่เป็นต้นของตนเองทีเดียวถ้าพีชาอย่างที่เรียกว่าเป็นอะไรแต่อะไรที่ยังต้องอาศัยดินนม้มไฟลมคุณพลากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยมาสู่อากาศไม่ได้จะต้องอยู่กับน้ำกับดินมาสู่อากาศไม่ได้ผู้ที่หลุดพ้นจากดินกับอากาศมาสู่ลมมาสู่อากาศมาสู่พลังงานไฟนี่คือพลังงานแล้ว จากไฟเป็นพลังงานอุณหท่าไฟอุณหท่าจึงจะไปเป็นพีชะมันวนมาอีกทีหนึ่งดินน้ำแล้วก็ลมไฟพอเป็นดินน้ำลมเป็นอากาศแล้วไปสู่พลังงานเรียกว่าไฟอุณหท่าพลังงานที่มีความอุ่นร้อนอะไระอต่ไรแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นมาไปลำดับลำดับขึ้นไปนะแล้วมันถึงจะไปเป็น จะดับชีวะจากพลังงานไฟแล้วก็ไปเป็นชีวะเพราะง้นเกิดชีวะก็ไปเป็ี่ยนผีชะนี่คือรอบก็มันจากอุณาธาตุุุุุุุุุุุุุุมจากอุตุนิยามมาเป็นผีชะมันก็จะเป็นเป็นไฟแล้วก็ไปเป็นอุณาธาตุแล้วจากอุณาธาตุก็ไปเป็นผีชะจากผีชะจึงจะพัฒนาออกไปเป็นจิตนิยามจิตนิยามก็คือจิตสัตว์ สัตว์พัฒนาขึ้นไปเรืเร่อยๆจนกระทั่งเป็นเวเนยสัตว์สัตว์สอนได้สอนได้ดเจริญเป็นกุศลในระดับโลกีจนกระทั่งกุศลจากโลกีแล้วจึงจะสามารถข้ามขั้นไปเป็นโลกุตระก็เป็นผู้จะรู้กรรมรู้การกระทเพราะแรกเริ่มรู้กรรมรู้การกระทําก็รู้กุศลอกุศลกรรมเพราะศาสนาที่ยังข้ามไปถึงโลกุตระไม่ได้ ก็จะมีการทรงไว้เรวธรรมะแค่โลกีธรรมเป็นกุศลโลกีเป็นอกุศลโลกีอยู่แค่นั้นเรกวกรรมนิยามเพราะฉะนั้นในฐานะเวนยศาสตร์ระดับกัละยาณชนก็จึงสามารถรู้กุศลอกุศลและพัฒนากุศลได้น่ะสูงสุดได้เป็นศาสดาทางกุศลได้นะ ยังข้าไมไปเป็นโลกุตระไม่ได้เพราะความรู้หรือรอบก็มันเหมือนกั น, กนทุกขั้นจากปุตตนิยามรอบมาเป็นกิจนิยามมาเป็นรอบของจิตนิยามจิตนิยามก็มารู้เรื่องกรรมก็รู้รอบของกรรมสูงสุดได้เป็นศาสดาได้ทําความดีในโลกได้แต่ยังไม่รู้รากเง้าของจิต <c oughs> โลคุตระนั้นรู้รากเงาของจิต โลกิยะสามารถพยายามทําจิตได้เหมือนกันแต่ยังไม่เข้าถึงปรมัาทยังยั ง, ยงรู้จิตจับสภาวะของจิตอย่างชัดเจนปจิตเจตสิกรู ป, รปนิพพานไม่ได้ยังไม่มีนิพพานนาในกัลยาณชนกัลยาณธรรมจะยังไม่เกิดนิพพานนิพพานไม่เป็นนิพพานยังไม่ได้เพราะปรมัาทยังไม่สมบูรณ์รู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานยังไม่สมบูรณ์ นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้ดีได้ให้อยู่ได้นานๆจนกระทั่งพระพุทธเจ้าถือว่าบางทีก็เหมือ น, นกันจะทําให้อายสวะนี่มันดับแต่มันดับไม่ได้ถ้ามันไม่สมบูรณ์ครบรอบขององค์ประชุมของกายโยกายโยคือองค์ประชุมองค์ประชุมทั้งรูปและนามองค์ประชุมทั้งนอกและในองค์ประชุมที่เป็นยิโมกข้อที่สองคืออชัดตังอรูปสัญญี เอโกพระหิธ e า, ารูปานิปัสสติยังไม่มีโมกขะหรือความรู้โมกขะหรือมุตติกาเป็นอธิมุตรหรืออธิพิโมในระดับขั้นข้อที่สองของวิโมกเพราะยังไม่รู้ภายนอกภายในอย่างสมบูรณ์พระหิธ า, ารูปานิปัสสติยังไม่เห็นยังไม่รู้เรื่องภายนอกสมบูรณ์อาจจะทําภายในน่แหละเก่งเหมือนกัน แต่เก่งก็ยังไม่ละเอียดเพราะยังไม่สามารถที่จะกำหนดรู้สัญญากำหนดรู้อารูปได้สมบูรณ์ในภายในยังสูงสุดถึงถึเช่นอารูปปิจารจนสมบูรณ์ซึงสภาวะของอรูปปิจาอาการสาคืออะไรวิญญาณคืออะไรกินจันคืออะไรวิตเนวสัญญานาสัญญายตนะคืออะไรยังจะไม่เข้าใจชัดเจนเมื่อไม่เข้าใจชัดเจน สาทยายไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอุตริมนุสธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นอุตริมนุสธรรมผู้ไม่มีจริงแสดงผิดแน่ผู้ไม่มีจริงแสดงผิดแน่แแนขอย้ำตรงนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะไม่รู้เนี่ยนะนั่งสมาธิหลับตามีอรูปฌานเป็นอรูปฌานที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยพระหิทธารูปานิปัสสติ เป็นการพัฒนเป็นการรู้ที่รู้ไม่ครบภายนอกไม่เห็นภายนอกไม่รู้ภายนอกเพราะฉะนั้นกาโยองประชุมของทั้งหมดทั้งภายนอกและภายในแล้วสัมพันธ์กันอย่างรู้เห็นทะลุกันหมดเลยพุทธเจ้าถึงตรัสว่าต้องสัมผัสวิโมกต้องสัมผัสไม่ใช่เห็นเฉยเฉยไม่ใช่ปัสติเฉยเยต้องเห็นต้องสัมผัสมี ผุดซาผุดโซหรือมีผุดถผุดโทสัมผัสข้างนอกครับพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าต้องสัมผัสวิโมกด้วยกายความหมายแค่นี้นี่ลึกซึ้งมากสัมผัสคือมีสัมผัสหกเต็มตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้ขาดกันไม่ได้ปิดไม่ได้กั้นเชื่อมโยงกันต่อ เป็นสันตติดไม่ได้ขาดกันเลยรู้การสัมพันธ์รู้การสัมผัสรู้สิ่งที่ทําปฏิกิริยาถึงกันและกันทั้งนอกและในไม่ขาดสายไม่ขาดการรู้เป็นเป็นรีเรทรีเลทีฟเป็นรีเลชันที่ปฏิสัสมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันยังไม่ขาดสายนะเพราะฉะนั้นผู้ยังไม่สัมผัสด้วยกาย คือยังไม่สัมผัสทั้งรู ป, ปกายนา ม, ม ก, กายครบสมบูรณ์ทั้งหมดทั้งภายนอกที่รู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนั่นคือรูปที่รู้ภายนอกเป็นรู ป, ปกายนอกถ้าจะมาพูดถึงรู ป, ปกายในก็คือกายในกายเข้ามาแต่พูดถึงข้างในก็พูดโดยไม่ขาดโดยมีข้างนอกอยู่เป็นแต่เพียงว่าเรายังไม่พูดถึงเรื่องข้างนอก เราพูดถึงข้างในเช่นท่านปรัดในอานาปานาสติท่านก็อธิบายถ้งเนื้อในแต่ท่านไม่ให้ทิ้งลมหายใจเป็นกายนะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งผู้ที่ศึกษายัางไม่สมบูรณ์ก็จะจะไม่รู้ก็จะตกจะล่นจะขาดมัน อ, อย่างผู้ที่ท่านไม่รู้ะมะนันจะต้องรู้สรุปก็คือจะต้องรู้ภายนอกภายในอยู่อย่างชัดเจนต้องรู้เห็นรู้อย่างเห็นเป็นชา น, นาโตปัสโตคือปัสติเนี่ย รู้เห็นอย่างชาณาโตปัส ต, ว, ต ว, วิหรติรู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวครบสำเร็จอิริยาบถอยู่บางทีท่านก็แปลรวมไปสับว่าสำเร็จอิรียบถอยู่ซึ่งสมบูรณ์ทุกอิริยบททาบถทั้งนอกทั้งในรู้กันต่อขันเนื่องเพราะฉะนั้นคำว่ากายกายโยเนี่ยผู้ที่ยังไม่รู้ชัดไม่รู้เจนก็จะก็จะตัดเอาส่วนที่ตนเองรู้นั่นแหละมาพูด มาอธิบายได้หรือมาขยายความได้ก็รู้ได้แต่ทั้งสัญญากาหนดรู้ทั้งจินตนาการต่างๆเป็นความคิดก็ได้แต่แค่ที่พบภูมิที่ตนเองมีนะก็ได้แค่นั้นเพราะงั้นในรายละเอียดที่อาตมานำมาพูดนี้อาจจะเป็นแนวลึกอยู่พอสมควรก็ผู้ตั้งใจฟังฟังด้วยดีก็จะได้ปัญญา ผู้ที่จะฟังที่ยังไม่รู้อะไรดีนะักก็ก็เพิ่มความรู้เสริมความรู้ไปเรื่อยๆนะสรุปตรงนี้ก่อนว่ารูปธรรมหรือว่ารูปกายและนามะกาย น, ะนามะกายคําว่านามแปลว่าความรู้แต่ว่าธาตรู้ส่วนรูปนั้นเป็นเป็นรู ป, ปรกายหรือเป็นรูปธรรม ท, ที่เป็นสภาพที่ถูกรู้เป็นสภาพที่ไม่รู้ แม้จะเป็นเวทนาในเวทนาเป็นความรู้สึกที่เป็นอารมณ์ในจิตใจของเราเนี่ยเวทนาก็เป็นเจตสิกหนึ่งเ ป, เป็นอารมณ์ที่ปรุงแต่งอยู่อย่างหนึ่งในจิตใจหรือเป็นสังขารอย่างหนึ่งแล้วถ้าผู้ที่รู้สังขารรู้วิญ ญ, ญาณรูปนามรูป ร, รู้อายตนาลูปัสสะไปรู้เวทนาศึกษาเวทนาก็จะเข้าใจว่าเวทนากับสังขารนั้นก็คืออันเดียวกันนะที่เกิดจากตัวธาตุหลักคือวิญ ญ, ญาณ แล้วมันก็เกิดการสัมผัสเรียกว่าสัมผัสสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าไม่สัมผัสวิญญาณไม่เกิดก็จะต้องเข้าใจว่าวิญญาณที่เกิดจากสัมผัสนั้นคือวิญญาณที่สมบูรณ์เรียกว่าเป็นขันธ์ที่ห้าน ะ, ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวิญญาณแล้วก็ต้องครบด้วยเวทนาสัญญาสังขารนะเป็นวิญญาณในนี้ก็ต้องไปอ่านคนคืออะไรที่อาตมาจแจกแจก เจตสิกสามก็แจกวิญญาณเอาไว้นะเพราะเมื่อสามารถมีวิญญาณรู้จักวิญญาณแล้วเมื่อเกิดผัสสะก็จะเกิดวิญญาณ์ขึ้นมาให้รู้ผู้ที่มีปัญญาญาณรู้จักนามมารูปนามมารูปเป็นศัพท์สองคำคำว่านามกับคำวารูปหรือคำวารูปกับคำว่านา ม, านามรูปก็บัณฑตมาเขานิยามลงไปแล้วว่ารูปคือสิ่งที่ถูกรู้นามคือตัวรู้ นามคือธาตุรู้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นนามมารูปก็คือนามนั่นแหละที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นในปฏิจจสมุปบาทท่านเรียกว่านามมารูปท่าไม่ได้เรียกว่ารูปประนาม อ, อถ้ารูปนามเนี่ยมันเหมือนกับคำสองคามันเป็นสภาวะสองสภาวะแต่ถ้านามมารูปนี่เป็นสภาวะเดียวเป็นสภาวะที่เป็นนามมธรรมที่ถูกรู้ เพราะฉะนั้นในปฏิเสธมูลบาทคําว่านา ม, มารูปจึงเป็นสภาวะของนามธรรมที่ถูกรู้เรียกว่านา ม, มารูปเมื่อเกิดผัสสะแล้วก็เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาก็คือวิญญาณนั่นแหละและวิญญาณมันเป็นองค์รวมของเวทนาสัญญาสังขารครับพอมันสัมผัสรู้สภาพวิญญาณบอกแล้ววิญญาณก็คือเวทนาสยาสังขารสัญญาก็ตัวเราสังขารก็ตัวเราเวทนาก็ตัวเรา มันปรุงแต่งเป็นสังขารคือองค์รวมเลยสังขารเนี่ยปรุงแต่งปุป๊บสังขานี้ทํามันสังขารเสร็จแล้วเรามีเอาพิชาเราก็ไม่รู้จักสังขารเราก็แยกแยะไม่ได้เราก็จับกามไม่ทันจับพยาบาทไม่ทันกามพยาบาทมันก็ปรุงปุป๊บสังขารปุป๊บอ่าก็เกิดสังขารพอกามมันเกิดเฮ้ยเอาอย่างงี้นะวะกามมันใครอยากไนงะเอาอยัางงี้นะวะ อันนี้ถ้าเป็นพยาบาทมันบอกเฮ้ยจัดการไอ้นี่วะนะโลคของโรกมันก็มีอยู่กับไอเอาไอ้นี่วะไอ้จัดการไอ้นี่วะอยู่อย่างนี้แค่นี้นะเพราะงั้นผู้ที่ไม่ซิมบูจ้ ก, กลางก็จะพยาบาทก็เป็นพลังงานรีวิลล์อ่าอ่าเรีวยกว่าจถ้าเป็นเรื่องเล็บครุดก็เป็นสนั่งจุเหลียง นายใหญ่นี่คือสางจุเหลียงอตอนนี้ประเทศไทยกําลังถูกมันสางจุเหลียงบงการอยู่ขยายความออกไปง่ายให้รู้ผู้ใดมีปฏิภาณรู้ถึงสภาพของสังคมประเทศชาติอยู่ก็คงจะนึกออกรู้จักไม่สางจุเหลียงเป็นใครกําลังบงการสรางจุเหลียงสางจนา เ, เอางี้เอางี้สางงี้งี้พอสางงี้เสร็จ บรรดาล่วลอก็ไปจัดการท<ำ>ําเป็นลงมือเลยไปลงมือทํามีฝีมือเท่าไหร่ก็ทำเทำ่านั้นไปตามฝีมือเมือ่อสิ่งที่บงการหรือสิ่งที่สั่งก็คือถ้าคุณมีกามมีพยาบาทเป็นตัวสั่งจุเหลียงเป็นตัวสั่งจุเหลียงเป็นตัวนายใหญ่ เป็นตัววงการมันก็สั่งปังโดยอวิชชาคุณไม่รู้หรอกคุณจะต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนไม่ใช่คำสั่งสอนคสั่งต้องฟังคำสั่งสั่งก็ต้องทำเลยมันก็เกิดสังขารปรุงรักจะเพราะนั้นตักกะวิตตกะสังกะปะมันก็ทำงานอย่างนี้โดยที่มันไม่รู้จักตั้งแต่ดำริตักะขึ้นมาคุณมาจัด ก, การวิตกะจาน คุณมาดูพฤติกรรมคุณมาแยกแยะสิ่งที่มันเกิดนี้วิจัยสิ่งที่เกิดนี้จนระจับเจ้าตัวการโจรได้ยิ่งจับตัวสางจุเหลียงได้เลยนั่นแหละคือเสร็จแต่ทุกวันนี้ที่สางจุเหลียงที่จริงเห็นหน้านะนแต่กำลังใส่หน้ากากขาวอยู่ไม่ใช่ใส่หน้ากากแดงข อ, อไปพูดผิดไป เนี่ยมันยังไม่เก่งเท่าไหร่ถ้าอัตมาปางแปดเี่จะเก่งแค่นี้เยอะนี่ปางเจ็ดมันยังผิดพลาดอยู่นิดหน่อยแต่สภาวะมันแม่นอยู่ดอกแต่พยัญชนะมันจะพลาดอย่างนี้นะจะลรักษรนับสภาวะมันรู้อยู่ว่าเป็นแดงแต่ดันไปพูดประกาศข่าวเช่นนี้เมื่อกี้นี่สลับกันนิดหนึ่งนะเอ๊พูดอย่างนี้ชักรู้เรื่องเลยเนี่ยเจออะไรกันฉลาดอย่างนี้ นะพอพูดพยัญชนะของภาษาบาลีภาษาธรรมะไม่เคยรู้เรื่องพอพูดอย่างนี้รู้เรื่องบ<ะ>้า <c> ก <oughs> ็ถูกนะเขต้องเอาโลกบ้างนะมีความรู้โลกอรัตมาก็พอรู้ไม่เก่งอรตมาไม่เก่งอโลกเท่าไหร่นะ่าถ้าจะภาษาธรรมะจะรู้ลึกกว่าแต่ภาษาโลกเขาพอไปได้ก็ประกอบการอธิบายสักอยู่ฟังนะสรุปแล้วเมื่อคุณสามารถจับกาม กับพยาบาทได้ซึ่งเป็นตัวจางสุเหลียงเป็นตัวนายใหญ่แล้วกําจัดตัวนี้ได้เมื่อกําจัดตัวนี้ได้คุณจะตัดแขนตัดขาทางจุเหลียงไปก็คือตัดเลี้วรอตัดมือตัดแขนริ้วรอไปเรื่อยๆก็ทำอยู่แล้วถ้าเราสมมุติว่าเรากําจัดได้กําจัดกามกำจัดพยาบาทได้เสร็จสิ้นวิตักกะก็ไม่มีกามมัมีพยาบาทไปร่วมสังขารร่วมปรุงแต่ สังกปะก็เป็นสัมมาสังกปะความคิดนึกหรือว่าตัวจิตวิญญาณเป็นมนโนปุพังก็สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นทางก็ไปเป็นวจีสังขารที่สะอาดจากการจากพยาบาทเมื่อสะอาดจากการจากพยาบาทก็เป็นวจีสังขารที่จะพร้อมที่จะไปเป็นวจีกรรมไปเป็นกรรมมันตะไปเป็นอาชีวะที่เป็นกรรมอันโตออกไปเป็น สภาวะจากพลังงานมนผุผุพังจะเป็นมโนเศษฐามนโนมยาตามบารมีบารมีใครบารมีมันปรุงแต่งไปตามแรงของบารมีของแต่ละผู้แต่ละบุคคลเสร็จแล้วมันจะเป็นกำลังอปปนาพายพนาเจตโสปนิพรนเป็นฐานไงพอจัดการตากักกะวิตัดการสังกปปะเสร็จก็เป็นตัวตั้งแ็น อ, อปปนา อปปนาก็จะโตเป็นพยปนาเป็นเบตโสพนิโรปนาเป็นพัฒนาการของตัวตั้งเป็นพลังงานของพลังงานบวกมันก็จะสั่งสมลงเป็นแกนงี้พลังงานบวกพลังงานลบเป็นพลังงานของโลกต้องมีพลังงานบวกพลังงานลบนอันนี้เป็นศัจตรกรทางฟิสิกส์ก็ชัดเจนเรียนรู้ทางนามธรรมก็เช่นเดียวกั น, น อปปนาพยาปนาเจโซวันนี้อภินิโรปรนาคือพลังงานลบไม่พลังงานบวกตากกาวิตกากกสังกัดพลังงานลบเพื่อก็มาสร้างกันที่พลังงานเคลื่อนไหวพลังงานที่เป็นตัวไดนามิกตัวเคลื่อนไหวเนี่ยสร้างตัวนี้ชัดเจนเป็นพลังงานเจลณนะก็พัฒนาไปแล้วมันก็จะเป็นตัวตั้งที่ก็จะวนเวียนอย่างงี้สร้างต่อสร้างเฉริญไป พอเป็นวาจากรรมมันตะอาชีวะเป็นพลังงานนอกพลังงานนอกก็มามาอุ้มชูพลังงานในต่อเสริมหนุนให้เกิดการพัฒนาการเกิดมีวัฒนาการหรือพัฒนาการขึไปเรื่อยๆนะสิงเหล่านี้เป็นในยะเดียวกันกระทัางรู ป, ปรธรรมเพราะฉะนั้นพราจะศึกษาทางวิทยาศาสตร์อยู่ไปทั้งฟิสิกส์อยู่ก็ศึกษาไปศึกษาฟิสิกส์ศึกษาเคมีอะไรก็เป็นภาตุเป็นตัว ตัวธาตุก็คือตัวที่เป็นพลังงานบวกตัวฟิสิกส์ก็คือพลังงานลบนเคมีกับฟิสิกส์เนี่ยมันจะเป็นพลังงานคู่สองอย่างาก็ธรรมะหรือนามธรรมชั้นเดียวกันนะมันเมื่อผู้ใดสามารถที่จะรู้จักตัวเหตุตัวร้ายของพลังงานตัวหลัก มาแต่ต้นเขาคงเหตุได้อย่างที่ว่านี้แม่เป็นนามธรรมจึงพระพุทธเจ้าจึงมีตำราให้พยายามอ่านเหตุตั้งแต่หยาบไปก่อนและไม่ทิ้งสัมผัสาการศึกษาในแบบพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่แบบที่ออกป่าพูดที่ศึกษาออกป่านั้นอย่าไปดูถูกกันฤๅษีก็เป็นรากเน่าแต่เขาใช้เวลานานฤๅษีจะใช้เวลานาน ปัญญานั้นก็คือพวกก้าวหน้าพัฒนาจะใช้เวลาเร็วกว่าฤศีฤศีสายเจโตสายสตาจะต้องสี่สิบแสนนสสงไข่มหากรแต่ปัญญาในแค่ยี่สิบแสนนิสสงไขยมหากรนี่เป็นต้นนะมันก็พัฒนาพัฒนาขึ้นมาพอผู้รู้มีปัญญาหรือสายปัญญาในใช้เวลาน้อยกว่าฤศีหรือว่าพวกที่สายสตาก็จะใช้ใช้เวลามากกว่าอย่าไปดูถูกกันต้องตั้งต้นแบบนั้นทั้งนั้น นอนจากศรัทธาก็จะมาสู่ปัญญาเป็นลาดับพวกที่ยังวุ่นวายอยู่พวกวิริยาทิก ะ, ะมันจับอะไรก็ไม่ค่อยติดจะเอาสายปัญญามั่งไปเดีงกรวกวนไปเอาเจโตมัง่งไปเรยวก็เจโตมาปัญญาปัญญาวกวนในวิริยาทิกะตรงนี้ก็เสเวลามากท่านเทียบแปดสิบแสนอสงไขยมห า, ากรัมก็ก็เท่าอีกเท่าหนึ่ง อีกเท่าหนึ่งขนาดสายเจโตไปสี่สิบแสนน่ะสงไข่มาหากลับแล้วสายาวกวนสายไม่แน่ไม่นอนไม่เอาสักอย่างอาจะเอ่มาอยู่บรราาดีหรือว่าจะมายังไม่มาดีว่าพวกนี้แหละส่วนมากก็จะแปดสิบแสนนสงไขยมาหากลัปพวกไหนตัดสินใจแล้วแม่เราจะเจโตนะเข้ามาแน่นอนเลยมาให้อนะตายเป็นตายวะพวกนี้ก็สี่ แสนนั้นสงไขมหากับแต่พวกที่มีปัญญาเออได้เวลาแล้วมาแล้วผ่าแล้วเป็นลำดับเลยวางแผนกับอะไระ ไ, รไปดีๆแล้วก็เดินทางมาดีๆเพราะปัญญาจะชัดเจนทุกอย่างก็ไม่ต้องถอยหลังมากมายหรอกมันจึงเร็วแต่ถ้าเผือวัยยุกจักษ์กยักกระช้าตามแต่บารมีของใครของมั น, นเพราะงั้นขณะนี้เนี่ยอธิบายประมัตดไว้แค่นี้ก็แล้วกันพูดถึงพวกเรา อาตมามีเวลาเขาให้ห้าตีห้าสามสิบนี่เหลืออีกเหลืออีกสี่สิบนาทีอย่างพวกเราเนี่ยนตอนนี้มันเกิดรูปเกิดร่างของตัวตนบุคคลเป็นสังคมเกิดมาจากจิตไม่ได้เกิดมาจากอื่นเลยอาตมาไม่เคยเอาวัตถุไม่เคยเอาเพชรนินจินดาเอาความสวยงามเอาความ อาตมาสร้างอะไรใหญ่ๆๆ ใ, ใ, ใ, ใ, ในพวกคุณหนักใจทั้งนั้นไม่ได้ชอบนะไม่ได้ชอบแต่อันนี้ไปยกสมเด็จปู่ต้องเรียกสมเด็จปู่นะองค์เนี่ยยกสมเด็จปู่ที่ในห้องมาที่น่ะทั้งสององค์ลืมไปลืมดึงเอามาด้วยเอามาตั้งสองข้างนี่เลยองค์ดำองค์ขาวนะ องดำองค์ขาวมาสมเด็จปู่ตอนนี้จะเกิดสมเด็จปู่แล้วทําไมจะต้องใหญ่ก็นักหนาก็ไม่รู้อาตมาก็ยังไม่รู้ทําไมกําหนดกันใหญ่เลยเกินก็ช่วยกันไปคนเราคิดสองคิดอะแล้วออกมาอย่างนั้นอาตมาก็ไม่แยง้งไม่เถียงอะไรหรอกเขาก็ดันทุรังกันอยู่อาตมาถือว่าดันทุรังก่อนเขาก็ว่าเป็นไปได้อาตมายังมืดมืดอยู่นะยังไม่เห็นทางเขาก็หาทางกันตอนนี้ยจะเอาทางไหนมาดีว่าจะคน้น วัดสดุอ่าก็อเอาวัดสดุตอนเนี้ยไม่ไม่ไม่ไม่คง ไ, ไ, ไม่แปลอื่นนะก็ก็อเอาหินทรายนี่แหละซึ่งมันก็จะหนักหนาสาหัสกันโอ้โห่ตแต่ละแท่งแต่ละแท่งแต่ละแท่งพักบุญมารบปากไม่มาโอ้โลงปุ้ยทำพิษก็เลยไม่มาแล้ว ว่าจะถามว่าแต่ละแท่งแต่ละแทง่งนู้ปริมาบัเท่าไหร่ปริมาณเท่าไร่รู้เป็นคนที่ดูจะดูอยู่อาตมาไม่รู้จําไม่ได้กี่ตันไม่รู้แต่ละแท่งละกี่แท่งก็ไม่รู้นองค์หนึ่งองค์หนึ่งเนี่ยนีย่เมื่อกี้ก็ลืมมาจะบอกให้เอามาก่อนญยเลยชาไปนหนึ่งนั่นแหละสูงประมาณนั้นแต่ละแท่งแ ล, แล้วน่าละก็สัดส่วนทั้งกว้างและยาวก็ตามแบบที่ออกไว้ซึ่ง แต่ละท่อนแต่ละแท่งของแท่งหินที่จะนำมาเนี่ยมันสี่สิบห้าสิบตันแต่ละแท่งน่าจะมาจำได้คร่าวๆมันแปดแท่ ง, ท ง, ทงหรือเจ็ดแท่งแปดแท่งหรือเก้าแท่งอะไรไม่รู้นะที่จะซ้อนกันขึ้นไปแล้วก็จะสลักเป็นรูปส้มเด็จปูวิชิตอวิชานี่ได้ถ้าจะเอามายัางไงแล้วบรรดาเนี่ดูที่ถนนจะเอามานะ่ะ ไอเทลเลอร์ที่จะขนนี่ก็ต้องเทลเลอร์จะต้องขี่มูขี่หมาก็จะต้องสามสิบล้อนะสี่ล้อแปดล้อไปใส่นี่นะหักมาไม่ถึงนี่หรอกมาเข้ามาถนนก็อ ง, งอกแงกงองแงคีงควคดนะยังไงก็ล่คือลำบากทั้งนั้นน ะ, นะก็เลยจะหาทางกันทั้งหาทางทั้งทางบกและทางน้ำ จะหาตั้งทางบกตั้งทางน้ำมากันนะอ่าก็จะเอามายังไม่รู้ว่าจะเอามากันยังไงก็คิดกันอยู่คิดสำเร็จก็มาคิดไม่สำเร็จก็แล้วไปนะอาตมาก็อาตมาไม่ค่อยผลักดันนะแต่เป็นจะเพียงว่านําพาเป็นได้ก็เป็นเป็นไม่ได้ก็ได้แล้วนี่อาตมาเนี่ยเนี่ยได้แล้วนี่นิโลหะนะ่เนี่ย เนี่ยหลวงปู่โลหะนั่นเนี่ยเนี่ยโลหะอ่าให้ดูสองข้างอ่าให้ดูสองข้างเนี่ยโลหะนี่ปูนแล้วก็ให้หลอโลหะไว้ไม่รู้หลอกี่องค์นก็ได้แล้วเนี่อาตมาได้แล้วองค์แรกอ่านั่งคิดว่าจะต้องออกมารูปไหนรูปไหนก็บอกแล้วก็ทําก็ผููที่ช่วยทํา เราช่วยทําออกมาจนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างอาตมาเหมาะใจพอออกมาเป็นยิ่งมาเป็นโลหะเนื้อ ย, ยิ่งชัดเขาเสริมหน้าเสริมตาอะไรแอะไรขึ้นอีกจะคมคาย ก, กันนิดหน่อยอามีรูปทรงอะไรแอะลรก็ช่างหลายช่างอะนะอาตมาน้าช่างเถอะนนี่เขาช่างกันจริงๆช่างทําเขาช่างทําอาตมามันช่างเถอะก็ช่างทํามาจนกระทั่งได้อันนี้ก็อา้าใช้ได้ก็พอ ก็ติดกันเหมือนกันนะอ่าวรูปนี้ก็รูปนี้กับรูปนี้ช่างทํารูปนี้ก็ติรูปนี้แต่รูปนี้ก็พอใจรูปนี้ไม่รู้รูปนี้จะติก็ต้องติลี่ยซึ่งแก้วาเป็นอันนี้นะอ้าวน่าจะย่อยเกินไปอาทิตนี้เอาตรงๆก่อนดีกว่าว่าเนี่ยจะทําวันนี้เนี่ยน้ําหนักทั้งอันนี้ทั้งอันนี้เนี่ยมันรู้เท่าไหร่อ่าถ้าสร้างสําเร็จจริงๆนี่อาตมาก็ว่าจะเป็น ไม่รู้ว่าใครจะมาแย่งเอาไปขึ้นทะเบียนเอ่อทะเบียนอะไรอ่ะฮะมรดกโลกหรือเปล่านันนะถ้าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะอ่าก็ไม่รู้เพราะว่ามันก็จะใหญ่สูงจนกระทั่งถึงเจ็ดสิบเจ็ดอกเนี่ยคิดดูซิเจ็ดสิบเจ็ดอกนี่มันสามสิบแปดจุดห้าเมตรสามสิบแปดจุดห้าเมตรสูงกับตึกนี้ต้องเยอะตึกนี้มันแค่ ศึกนี้ไม่รู้เท่าไรส่สิถ้าศึกที่สติโสอตโศกถึงยอดเจดีย์นั่นเลยนะสามสิบห้าเมตรสติอโศกถึงยอดเจดีย์ยอดสัตว์นะนนะสามสิบห้าเมตรสูงกว่านั้นอีกสูงกว่าสติอโศกที่พระวิหารพระวิหารสูงสุดไม่ได้นับนับถึงยอดเจดีย์นะทัสิบห้าเมตรอ่าก็สามเมตรกว่าสี่เมตร แต่ยังไม่รู้ว่าจะนับตรงนี้ไปเรือว่านับแต่ฐานทั้งฐานไปยังไม่รู้เลยถ้าฐานอีกอะเอ้ยกะป า, าก็ไปอีกประมาณนี้คิดดูซิตอกกาไปอีกขนาดนี้ประมาณนั้นก็เถอะมันจะเป็นยังไงอาตมาก็ไม่ไปถักดันหรือว่า ไ, ไปกําหนดอย่างจริงจังอะไรไม่ยึดมั่นถือมั่นทีเดียวก็เป็นไปได้อาตมามาถึงตรงนี้ก็อยากจะบอกพวกเรานิหนึ่ง แวดนิดนึงว่าอาตมาทำงานนี่นะทำงานโดยดูเหตุปัจจัยและผลเมื่อมีเหตุปัจจัยสังเคราะห์สังขารกันแล้วเสร็จแล้วได้ผลขึ้นมา mm hmm. ก็จะดูที่ผลนั้นถูกหรือผิดถ้าถูกต้องได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแล้กวก็ได้ไปเรื่อยๆรายทางอ่าเช่นว่าเราเองเรากะว่าจะได้ขนาดนี้ จริงๆมันไม่ได้ขนาดนั้นนะมันได้เท่านี้ก็ไม่เป็นไรมันขาข้อบอกพร่องว่ามันเป็นอะไรมันถึงไม่ได้อย่างนี้เมื่อก็อย่างโลกเขาบอกว่าผลที่คาดว่าจะได้ทั้งโลกเขาจะอย่างงั้นเขาตั้งมาหนึ่งสองสามสี่ห้ามีโครงสร้างโครงแผนมีโปรเจกต์มาเท่านี้แล้วผลที่คาดว่าจะได้ แต่แล้วเขาจะต้องอาให้ได้เต็มผลเอาผลเป็นตัวหลักเขาก็เลยมันไม่ได้เป็นตัวหลักโมเมโมเ ม, ม, เมให้มันได้รูปนี้มันเลยฟ้ามมันเลยไม่เต็มองค์มันไม่แน่นมันไม่สมบูรณ์นี่คือทางโลกไป น, นี้นี่คือความเสื่อมจะต้องให้ได้ตามผลที่คาดเฮ้ยจงให้ยอดนะได้ยอดนะต้องทํายอดให้ได้นะเพราะฉะนั้นจะเบี้ยวจะบิดจะขี้กงจะไปขี้โลบจะไปขี้หลงจะไปขี้แย่นชิงอะไร เอามาหมดเพื่อที่จะให้มันได้ยอดนี่คือความสูญเสียนี่คือความเลวร้ำอาตมาขอใจคําว่าความเลวซ้ำของพฤติกรรมมนุษย์แล้วก็มีทฤษฎีแบบมีโครงการอย่างนี้แหละมีโปรเจกต์อย่างนี้แหละมีท่านี้ท่านี้ น, น, น, นี่วิจัยวิจารณรมาสร้างเสร็จแล้วผลที่คาดว่าจะได้เขาก็บวกลบคูณหารกันเสร็จแล้วก็ไปแพ็กสิ่ผลนี้ได้ยอดนี่ นี่คือทุนนิยมก็ทําอย่างนี้เสร็จแล้วพวกนี้ก็เลยต้องรีบเร่งเลยเฮ้ยต้องทํายอดนะทํายอดนะก็ไปเอาเปรียบเอารักไปบีไปบีบดีไม่ดีก็โกงก็ทิศดานดีไม่ดีโมโมเมเลขโมเมตัวเลขด้วยสุดท้ายตกลงได้ยอดดาวยอดยโบกันนี่คือความเสื่อมของสังคมนี่แหละสังคมพัฒนาด้วยทฤษฎีนี้ ทฤษดีเนี่ยที่สร้างโปรเจกต์แล้วก็ผลที่คาดว่าจะได้แล้วทํายอดให้ได้สําเร็จโดยไม่ดูความฟ้ามความโกงความพิสดารความโกหกหรือว่าความรุนแรงโหดร้ายแย่งชิงฆาาแกงบุกบัตรอะไรไม่จะเอายอดให้ได้เมือกระจางสุเหรียงที่กําลังจะเอายอดให้ได้ตอนเนี้จางสุเหรีย์เนี่ยเอายอดให้ได้เพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เอง จะเบี้ยวจะบิดเองจะโหดร้ายเองจะขี้โลบเองจะต้องทั้งกรารและพยาบาทมากเท่าใดเองต้องทาให้ได้ยอดจะต้องัำให้ได้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือความคิดของผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นจะเอาต้องเป็นตัวกูของกูต้องได้อย่างนี้ น, น, นี่คือความเสื่อมหรือว่าความทิ่นาา ของแัดธรรมที่มันเกิดอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นอาตมาไม่เอาที่ยอดอาตมาเอาที่ผลไปตามลำดับหนึ่งยาผิดสองเต็มที่สองข้อนี้ใหญ่ใหญ่หนึ่งยาผิดสองเต็มที่บีลรมันก็จะได้ผลออกมาถ้ามันไม่ ผ, ผิดมันได้ผลน้อยเทะครับ ถ้าไม่ผิดแม้มันจะได้ผลน้อยมันก็บา ร, รมีเราเท่านั้นไม่ผิดแต่ยังไม่ได้ตามค่าตามผลที่คาก็บา ร, รมีเราเท่านั้นใช่ไหมอ่าตรวจสอบว่าไม่ผิดแน่นะถ้าไม่ผิดเราทุ่มเต็มที่แล้วไดะค่ะ ก็เอาตามนั้นอาตมารเรียกอันนี้ว่าชนะราย<น>ทางฟังให้ดีนะชนะรายทางอาตมาก็ททำอย่างนี้มาเรื่อยๆชนะรายทางเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าจะต้องเอายอดนี้ได้ต้องเอายอดนี้ได้พวกนี้พังสังคมพังตัวเองก็พังพังมานักแล้วนี่ทฤษฎีทุกปนแบบนี้ สังคมถึงไปไม่รอดเพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์แบบนี้เลิกเศรษฐศาสตร์ที่ใช้กันมาแบบนี้โดยมาร่างเลยคิดลูกคิดร่างแก้วเอาไว้รึเปนี่คือ น, นี่แหละคือโครงสร้างโปรเจกต์นีเท่านี้อย่างนี้เสร็จ แ, แล้วผลที่คาดว่าจะได้อัจมาพูดภาษาพิชาการเขาไม่ค่อยเก่งเพราะไม่ได้เรียนชาตินี้มาไม่ได้เรียนวิชาประวัติศาสาร์ วิชาการภาษาวิชาการเขาแล้วก็เรียนสูตรหลักสูตรแบบวิชาการเขาแล้วเอามาสาธยายได้ปางนี้อาตมา ม, มันมันมันไม่มีบา ร, รมีขนาดนั้นก็เลยไม่เก่งก็พูดโมเมไปเนี่คุณก็เข้าใจเอาตามที่อาตมาพูดพอเข้าใจเนาะใครจบปริญญาเอกมาพฟังได้นะปะอกกอกขี้ไก่ได้ฟังได้หรอกเพรออาตมาพูดภาษาปอกอกขี้ไก่อปริญญาโทรปริญญาเอกก็ ทนทนฟังอาตมาหน่อยปุโรบุเรตามอาตมาบ้างอะไรก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นในการพัฒนาสังคมมันเลยเถิดไปแล้วนะ ม, นมันมันมันพังไปแล้วมันกลายเป็นสภาพจิตกิเลสมุ่งที่ผลมุ่งที่ความมุ่งหมายของความโลภเพราะยังมีความมุ่งหมายของความโลภเท่านี้ฉันจะต้องได้เท่านี้ให้เป็นผลสำเร็จ มันก็เลยทําให้เกิดคนเราคิดมันก็นมบวกดู้คิดรางแก้วทั้งนั้นแหละคาดว่าท่านี้ท่านนี้ก็นึกว่าทําโครงสร้างนี่ไว้อ่าดีแล้วครบแล้วไม่มีเออร์เรอแล้วไม่มีบกพร่องแล้วเพราะฉะนั้นผลที่คาว่าจะได้ต้องได้าตามนี้สิจะไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวหลักตัวพัฒนาการตัวรีวรลลตัวแรงงานตัวอะไรพวกนี้เไม่ทําเต็มที่คุณก็มาบีม บ, บี้เอาคนพวกนี้ นะมันก็หนักหน้าสาหันมันบีบปี้ได้เท่าไรมันสุดวิสัยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีวิสัยของมันนะถ้าเข้าใจอย่างที่อาตมาอธิบายพวกนี้แล้วเราจะรู้ว่าหนึ่งต้องใช้ปัญญาของเราอย่างสูงสุดตรวจสอบอย่าประมาทอย่าผิดนะสองทำเต็มที่ผลออกมาได้นั่นคือความจริงที่เราจะได้ถ้าเรามีสมรรถนะเท่านั้น มันก็ได้เท่านั้นเพราะงั้นถ้าผลได้ตามที่เราคาดมันไม่ถึงกาไม่ถึงผลถึงครึ่งของคาดน้อยกว่าก็ไม่เป็นไรถ้ามันเป็นผลที่ได้ตนนัวนี้เออมันยังไม่ไปถึงขีดที่ควรได้เนาะถ้าเกินขีดที่ควรได้ก็ดีนะเกินขีดที่ควรได้ก็ดีนะก็ไม่มีปัญหาอะไรเกินนะแต่ถ้ามันขาดเราก็ต้องดูเหตุผลดูเหตุปัจจัยว่าทาไมมันขาดก็แก้ไข ก็ปรับปรุงอะไรอย่างนี้เป็นต้น น, นี่อัตมาอธิบายเป็นภาษาอะไรพวกนี้พอเข้าใจนะที่นี้เรามาพูดถึงพวกเราตอนนี้เราอยู่กับโลกเรามีอาชีพอาชีพนี้เกิดสภาวะหลักของการงานหลักของการงานหรือฐานของการงานาฐานของการงาน เช่นขณะมีการงานของเรามีการงานงกว้างมีฐานการศึกษาเป็นต้นมีฐานการงานการงานอุตสาหกรรมมีฐานการงานกิจ ก, กรรมมีฐานการงานผลิตอะไรต่างๆตี๋ย่อย เราก็ยังไม่ผลิตอะไรที่เป็นโลเป็นภายเป็นโรงงานหลักเรามีโรงงานยาผลิตย า, ายาสมุนไพรมีโรงงานแรกอยู่ที่ปฐมโศกโรงงานที่สองก็กำลังจะเกิดที่ศรีสะสกนะกำลังสร้างเป็นโรงงานยานะผู้ที่จะดูแลก็มีตัวหลักตัวอะไรอยู่ ก็จะเป็นตัวหลักที่เป็นหลักจริงเพราะว่าภูติธรรมอยู่ขณะ น, นี้ไม่ว่าจะเป็นแก่นฟ้าไม่ว่าจะเป็นคันดินหรืออุ่นเอือ้อนะที่ดูแลแล้วก็พยายามฟูมฟักมันเกิดมาอยู่เนี่ยอย่างอุ่นเอื้อนี่ก็ศึกษาทางด้านพวกนี้ในด้านของเอองค์ความรู้ของสาธารณสุขนะ สุขภาพพวกนี้ก็พยายามเรียนพยายามทำจนกระทั่งไปประสานกับโลกเขาก็ได้ปริยาเอกมาแล้วก็มาสร้างตรงนี้ส่วนสองคนนั้นปริยาโทก็อามาบูรณาการทำมาเนี่ยซึ่งความรู้นี่มันรวมๆกันอยู่มันพอคือเรามีความรู้รวมอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารู้จากเ้าหมายของสิ่งที่มันเป็นองค์ประกอบที่เราจะ สังเคราะห์โดยเรารู้ว่าไอ้ตัวนี้คือตัวเนื้อแท้ตัวจุดสําคัญเนื้อหาแท้มันมีเนื้อหาแท้ทันเรียว interest point นะเป็นเมนเป็นเนื้อหาสําคัญเป็นแก่นสารเป็นตัวของมันเราก็ดูองค์ประกอบของมันองค์ประกอบต่างๆนี่ก็เรียกว่า c o m p o s t อ่า composition ของมันองค์ประกอบต่างๆมันมีอะไรบ้างแล้วเราก็จัดสรรมวลจัดสรรหน่วยจัดสรรองค์ต่างๆหน่วยต่างๆมวลต่างๆแล้วก็เอามาประกอบสังเคราะห์สังขารกันขึ้นมาเป็นอันนี้ก็ดูความเหมาะสมในสิ่งที่มันจะสังเคราะห์สังขารกันมันก็มีทั้งบวกและลบมันมีทั้งไปด้วยกันและไม่ไปด้วยกัน มันจึงจะเกิดปฏิกิริยาอะไรที่ไปได้กันเข้าขากันดีมันก็ช่วยกันดันอะไรที่ไม่ไปดีมันก็ขัดเพราะงั้นไอ้สิ่งที่ขัดก็คือตัวที่จะทำไม่เกิดถ้าเราจัตัวขัดนี่ถูกต้องมันจะขัดเราถ้าเผื่อว่าเราทำตัวขัดนี่ไม่ได้สัดส่วนไม่ได้พอเหมาะมันจะขัดแตกมันจะขัดแย้งมันจะขัดแตก แต่ถ้าเผื่อว่ามันได้ดีแต่พอเหมาะมันจะขัดเรานะมันจะขัดเรามันจะทําให้เรียบร้อยสภาพเต็มที่เลยไม่มีสิ่งที่ขัดเราไม่สะอาดไม่สะอาดไม่เกลี้ยกล่อไม่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นจะต้องมีสิ่งที่ขัดเราอยู่เสมอสาศาสนาพุทธจึงจะต้องมีสันเลขาธรรมศาสนาพุทธจึงต้องมีสันเลขาธรรม เพราะที่ใดไม่มีที่ขัดเกลวเลยนะช้าหรือไม่สำเร็จเลยช้าหรือไม่สำเร็จเลยช้านี่นานมากนะเพราะต้องมีสิ่งขัดเกลวถ้าสิ่งขัดเกลวามากเกินไปมันก็กลายเป็นขัดแยงกลายเป็นขัดแตกกลายเป็นภาวะไปไม่รอดสลายขัดแยะขัด ขัดมากๆมากๆลุกเป็นไฟเลยละลายหมดไม่เป็นเนื้อเป็นตัวไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่เป็นสิ่งที่จะเกิดได้จึงพยายามตรวจสอบสิ่งที่ผสมกันนั้นต้องมีสิ่งที่ขัดแย้งกันพอเหมาะมีสิ่งที่ขัดแย้งกันพอเหมาะถ้าเผื่อว่าขัดไม่ได้สัดส่วนขัดไม่ได้พอเหมาะมันไม่ดีไปไม่ดี อันนี้อาตมาก็าพูดได้ภาษาอธิบายได้แบบนี้นะพราะผูดด้ใดจัดสรรองค์รวมเรียกว่า composition มวลและหน่วยอะไรต่างๆองค์ต่างๆที่มันมีอยู่ในนี้มันจะมีทั้งขัดกันมีทั้งไปด้วยกันสมรู้ร่วมคิดกันไปกอดคอกันไปมีทั้งพวกที่ขัดที่แยง้งมีทั้งพวกที่มันเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นตัวขัดแยง้งก็ไม่มีปัญหาอะไร ฟังหมูใหญ่บ้างถ้าสามารถควบคุมได้เราสามารถควบคุมองค์นี้ได้สภาพเต็มนี้ได้มวลหมูนี้ได้ว่าทำให้หน่วยไหนก็นแล้วแต่เป็นหน่วยขัดแยง้งให้สามารถรวมกันเพื่อที่จะเอาขัดก็ขัดไปแต่ก็ไปด้วยกันได้ไม่ถึงขัดแตกไม่ถึงขัดร้อน ไมได้แล้วเป็นมวลรวมที่จะกลมกลืนกันดูหน่วยนั้นมีขัดมีนามีขัดมีนาแต่ขัดได้อย่างพอเหมาะสิ่งนั้นขาวสะอาดสิ่งนั้นสมบูรณ์แน่นดีนะเพราะฉะนั้นในสัดส่วนที่มันเจอพอเหมาะพอดีกลมกลืนอย่างพอเหมาะนี้ คุณจะต้องรู้สภาพของหน่วยต่างๆที่เป็นหน่วยที่มันขัดแย้งกันมันคนละพวกหรือมันคนละลักษณะมันจะต้องขัดแย้งกันและคุณก็ต้องจัดสรรหน่วยนี้ให้ให้เป็นให้รวมหน่วยที่จะหน่วยนำพาไปและหน่วยขัดแย้งจะต้องมีทั้งสองอย่างขาดกันไม่ได้แต่ถ้าหน่วยขัดแย้งนี่นะพอเหมาะนีหน่วยที่นำพาไปเนี่ยได้ อย่างดีมีกําลังนําไปได้อย่างอาตมาทํางานทุกวันนี้นี่พวกเราขัดแยง้งไม่พอพอสมควรแต่ก็พอเหมาะและหน่วยนําพาไปกลุ่มใหญ่แปกไปได้อยู่นะถ้าได้สัดส่วนอย่างงั้นย่างงั้นท่านเรียกว่ากลุ่มกลืนไปได้ดีนะเรียกว่ากลุมกลืนไไ น, นั่นแหละนะฮาร์โมนีกลมกลืนไปได้ดีมีเสี่ยงที่แย่งกันขัดกันท่านเรียกว่าคอนทราสมันก็ขัดแย้งกัน เป็นลักษณะทุกอย่างไม่ว่าฟิสิกส์ไม่ว่าศิลปะจัดคอมโพซิชันอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะรู้หน่วยต่างๆขององค์รวมแล้วคณก็จัดสรรให้มันกลมกลืนกันได้ฮาร์โมนีได้ไ<อ>สิ่งนี้ดำเนินไปได้ก้าวหน้าได้นะ นี่คือวิธีการที่จะจัดสรรของนักบริหารนักบริหารจะต้องเข้าใจอย่างนี้แล้วต้องจัดสรรอย่างจะให้ถูกอย่างนี้อะเพราะฉะนั้นใครหลงเกินไปว่าหลงในเรื่องการขัดแย้งกันเนี่ยไม่มีเลยชาชาไม่ได้หรอกไม่มีเลยถึงได้ก็ได้ ไ, ได้อย่างครุกคลือกระกได้อย่างฟั่มฟ้า ได้อย่างไม่ดีได้นะอาจจะทําให้เร็วได้นะโอ้โหผลคาดว่าจะได้หลวมฟ้าหมดเลยไม่แน่นไม่เกลี้ยงไม่สะอาดไ ม, ไม่สมบูรณ์สุดๆนะไม่แต่ถ้าขัดได้อย่างพอเหมาะจะได้ทั้งแน่นทั้งแข็งแรงทั้งสมบูรณ์ทั้งผ่องใสวาวามสมบูรณ์เลยะ นี่คือสัจธรรมที่อาตมาหยิบมาพูดเป็นภาษาค น, คนไม่รู้จะเป็นภาษาอะไรวิชาการก็ไม่ใช่แล้วก็ช่วยกันทามไม่ว่าอะไรเขาตั้งเพราะในขณะนี้เรามีทั้งโรงงานโรงงานยาขึ้นก่อนดีแล้วเรามีหนึ่งอาหารกับอาหารอาตมาถึงบอกพ<ต>วาเราเนี่ยอาหารเป็นหนึ่งในโลก ถ้าคุณไม่มีอาหารคุณตายแล้วคุณต้องกินอาหารทุกวันคุณไม่กินยาทุกวันหรอ ก, รอกแต่ยากับอาหารก็เป็น<ม>ปัจจัยสาคัญหลักของมนุษย์เพราะจากนั้นจะสร้างสร้างที่อยู่ที่อยู่ก็สาคัญสคญ า, า, าสนะสคัญกว่าผ้านุ่ง้วยถ้าปัจจัยสี่สาคัญกับผ้านุ่งผ้านุ่งไม่ได้หมายความว่าเสื้อผ้าเท่านั้น องประกอบผ้านุ่งนี่คือองค์ประกอบคือองค์ร่างกายมนุษย์นี่มันจะคลุมไบริผ้านุ่งเท่านั้นจะนนไอนี่แตะไอ้นี่แต่งไอน้นี่เห็นไหมเต็มเครื่องจะต้องมีทั้งเหรียญตรามีทั้งสายตะพายมีทั้งฉาดามีทั้งสายสังวานมีทั้งอะไรเห็นไหมมากมายดีไม่ดีมีทั้งที่พกปืนมีทั้งที่พกลกระเบิดมีอะไรด้วยเห็นไหมมนุษย์เนี่ย นี่คือองค์ประกอบทั้งสิ้นเพราะ้ทั้งองค์ประกอบมันมีทั้งลูกปืนมันมีทั้งมีทั้งผามีทั้งไม่เอาเราไม่เอาพกนี่ไม่เอามาพกขนดน้ำกรดพกขนดลูกระเบิดไม่เอาเราไม่เอาเราก็เอาแต่ไอที่มันจะพกอะไรที่มันมาใช้เป็นประโยชน์พกอะไรดีไม่ดีไอนี่ตกแต่งอา้าว อภพกไว้มีเพชรมีทองพกไว้ก็เอาเถอะเพชรทองมันยังพอขายได้แต่มันก็เป็นสิ่งล่อไอ้โจรเหมือนกันนะอะไรอย่างี้วก็ต้องรู้ว่าเราจะมีไม่มีอะไรไว้อาศัยเพราะฉะนั้นรวมแล้วว่าไอ้สิ่งที่เรามีที่ว่านอกจากจะเป็นที่อยู่เครื่องนุ่งห่มนี่ก็คืออุ ป, ปโภคบริโภคอบริโภคจัดไว้ที่อาหารขยาแล้วอุ ป, ปโภคก็คือสิ่งที่เป็นบริการต่าง มนบริขารเราจะมีอะไรบริการทุกวันนี้มันปพาเข้าไปถึงกระทั่งมีเครื่องบินส่วนตัวมีรถส่วนตัวมีอุปกรณ์ส่วนตัวเครื่องประกอบเครื่องใช้มีคอมพิวเตอร์มีเครื่องม้เครื่องมืออะไรต่งางๆนานาเครื่องมือทางด้านเทคนิคด้านนี้เทคนิคด้านนี้ทางเทคนิคด้านนี้ก็เครื่องมือเฉพาะไปอีกเยอะแย ะ, ยะหมดนั่นคือบริขารทั้งสิ้นเลย นั่นละรวมความถึงเรียกว่าเครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องอาศัยอาศัยเครื่องอาศัยคําว่าเครื่องอาศัยภาษาบาลีมีอาหารกับวิหารอาหารกับวิหารซึ่งอาหารกับวิหารนั่นก็คือมันย่อเกินมาแปลเป็นไทยว่าอาหารคือขิงที่กินเข้าข้างใน วิหารคือสิ่งที่อาศัยข้างนอกเป็นที่อยู่บ้านเรือนความจริงอาหารนี่คุณเสพเข้าไปในอาหารตาอาหารจมกูกอาหารลิ้นอาหารกายอาหารอัตตาคุณเสพภายในทั้งนั้นเอาเข้าภายในแต่เสพภายนอกเรียกว่าอุปโภคเสพภายในเรียกว่าบริโภคเสพภายนอกเรียกว่าอุปโภคตั้งแต่ บ้านเรือนที่อยู่ตั้งแต่เสื้อผ้าเสพภายนอกตั้งแต่เครื่องเข็มขัดหมวกทุกวันนี้แว่นตาอะไรต่างๆนานาจนกลายเป็นเครื่องประดับเครื่องตกแต่งเป็นวิเลปณ ะ, นะะเป็นทิภูสนัทธานามันเกินไปทั้งเยอะทั้งแยะเครื่องใช้อุปโภค ก็คือเครื่องอาศัยรวมเรียกอยู่ในคําว่าวิหารหมดเลยเครื่องอาศัยวิหาระทั้งหมดเลยเพราะเราก็จะต้องรู้ว่าควรจะมีเครื่องอาศัยวิหาระนี้อะไรบ้างก็ต้องจัดสันในพอเหมาะพอดีอีกสิบนาทีนะ ก็จักสันให้พอเหมาะพอดีเพราะฉะนั้นชีวิตของคนนี่ถ้าเข้าใจสิ่งที่เป็นองค์ประกอบองค์ประกอบของความเป็นอยู่ในอุปโภคและบริโภคบริโภคเราก็กำลังสร้างสรรไปอุปโภคเราก็กำลังสร้างไปตามลำดับนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดไปตามจริงนะตอนนี้เราก็เกิดบริโภคคืออาหารกับยา นี่เป็นบริโภคที่อยู่เราก็สร้างเครื่องใช้ประกอบเราก็กำลังทำเรื่องออกประกอบที่จะใช้อาศัยต่างๆเป็นเรื่องอุปโภคต่างๆเรายังไม่เก่งในเรื่องอุตสาหารกรรมยังไม่เก่งในเรื่องอุปโภคเท่าไหร่สร้างอันนั้นนี้เราก็ยังไม่ค่อยมีฝีมือเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่เป็นไรโลกมันสร้างอุตสาหกรรมมันเจริญคนกาลังจะทิ้งกสิ ก, กรรม กำลังทิ้งไปถามปู่ย่าตาทวดที่เฝ้าไร่เฝ้านาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอยากไม่อยากให้ลูกเต้าเหล่าหลานมาทำลูกใต้ทำนาต่อหรอกเพราะมันถูกแม้ว่าประชาชนนิยมจะทำเป็นเอาใจเชาวน า, นาจำนำค่าเอาเงิน อ, อะไรมาถูถลุงลงไปเนี่ยคุณก็ถลุงไปคอร์รัปชันจะมากกว่าที่จะเอาไปถลุง เอาไปให้แก่ประชาชนจริงมีแต่ครงการหลอกซะใหญ่ซะเยอะเพราะเอาเงินส่วนกลางไปถลุงประชานิยมคุณก็ไม่ได้ทำจริงถ้ามาช่วยประชาจริงๆมันซ้อนจะเอาเงินให้แต่ชาวนาชาวนาก็ขี้เกียจเอาเป ร, รีอรัสมันก็ไม่ดีอีกเพราะฉะนั้นวิธีของพระเจ้าจึงให้อดให้ลดให้น้อยแล้วให้ขยันสร้างสรร รู้จักสาระรู้จักสาระอย่างพวกเราชาวโสงนี่รู้จักสาระจนมานั่งสร้างสร้างอาหารตอนนี้ก็มีรูปมีร่างสร้าง ส, างสิ่งที่ประกอบอยาเราก็สร้างไปเรื่อยๆอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ก็จเจริญไปตามลาดับสิ่งอื่นที่จะเป็นอุปโภคในการที่จะค่อยๆสร้างจริงๆกรึ่งของกรสิกรรมกรึ่งของบริโภคปุ๋ย กึ่งกติการรมกึ่งบูริโภคแต่ก็กึ่งอุสาห ก, กรรมปุ๋ยต้นต้นเราจะค่อยๆเป็นไปนอาตมาค่อยๆจะอธิบายพวกเราไปว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดโดยอาตมาไม่ได้เป็นผู้บรนดาลอาตมาขอยืนยันขออภัยนะที่ต้องพูดอาตมามีบารมีสิ่งเหล่านี้มันเกิดโดยของมันเองเป็นบอลตูบีมันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไป เพราะอัตมาจะเป็นคนไม่วางแผนก็ประกาศตนเองว่าเป็นคนไม่วางแผนมาแต่ไรแต่ไรแม้แต่อย่างนี้ก็ไม่ได้วางแผนสมเด็จปู่ที่จะสร้างนี่ก็ไม่ได้วางแผนมันก็เป็นไปตามทำเก็คนมีความคิดพูดมาคนเราก็รับท่วงต่อเป็นไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่ได้ไม่ได้ช้าไม่ได้ยากอะไรสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนี้ถ้าเผื่อว่าคนไม่มีสตังนะทําไม่ได้นะ แต่อาตมาไม่มีสตังนะนี่ไม่ได้จ่ายสตังแต่จ่ายบ้างจ่ายค่าอะไรเล็กๆน้อยๆถ้าเอาเงินจริงๆมาจ้างจริงๆมาจ้างศิลปินจ้างพวกมาออกแบบจ้างมาคิดจ้างมาสร้างรับรองอันดับอาตมาทําไม่ได้หรอกไม่มีเงินเงินจะจ้างพวกนี้ทําวันนี้เพื่อเป็นสาเร็จหรอกแต่มันมีตามบารมีเสิ่งเหล่านี้เป็นไอ จ, จินไตอาตมาอธิบายไม่ได้อาตมาไม่อยากได้มันก็ต้องมีอแต่ถ้าอาตมาอยากได้มากกว่า น, นี้ มันเกินบารมีอาตมาก็หืขึ้นคอเพราะงั้นอาตมาไม่เอาเมื่อยอะไรที่จะเป็นหืนขึ้นคออาตมาไม่ทําชาตินี้พอรู้แล้วทําตามบารมีนี้ก็เมื่อยพอแล้วจริงทุกวันนี้เนี่ยตามบารมีนี่อาตมา ก, ก็เหนื่อยทํางานอันนี้ให้มันดีก็แล้วกันพอเพราะงั้นพวกเรานี่ถ้าเผยว่าไม่คิดมากเชื่อว่าอาตมานําพาทําไปได้นะดุยนะแล้วก็ไม่ต้องคิดมากนะ ไปเร็วเนี่ยผู้อยู่ข้างนอกยังไม่มายังไม่อะไรอะไรอีกเยอะก็่เป็นไรใครอยากช้าก็าช้าแต่เราเดิ น, นเราไม่รอเราไม่หวังแต่เราทําะทําตามมีตามได้มีใครมาช่วยกันก็ช่วยกันเต็มที่โดยอาตมามั่นใจว่าอาตมาไม่ได้เอาราบยศสนเสริมไม่ไดเดาอามิตมาเป็นเครื่องหลอก อาตมาไม่ได้เป็นประชานิยมอาตมาไม่ได้ไปทําอย่างโลกเข้าพาทำอาตมาพาทำอย่างเป็นสัจรูและอาตมาเขามั่นใจในเรื่องของเศรธรรมพระพุทธเจา้าที่อาตมากาลังจะพยายามทำความเข้าใจกันกันกบสําหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ที่ท่านเองท่านก็ยังยึดมั่นถือมั่นในความคิดของท่านที่พยายามที่จะไปไปไปออกไป เป็นเป็นรัิที่มันยังเป็นเดรัตถีอยู่เป็นเดัติที่มันยังออกนอกพระพุทธเจ้าก็พาทากันอยู่ <c oughs> พาทากันอยู่นี่ก็เรียกว่าเดรัตถีแล้วก็มาพูดอยู่นี่ก็เรียกว่าปรัปปวาทะพูดให้ผิดเพีพ้ยนไปจากภาษาคำสอนบัญญัติของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปรัปรวาทะ ก็มีปรับปวาทะกันอยู่เยอะและก็พาทำกันอยู่อย่างเดรัจฉีก็ก็ไม่น้อยอาตมาก็ต้องมาพยายามปรับเดรัจฉีปรับปวาทะมาปรับการพูดการเผยแพร่การบรรยายหรือว่าการชักนำด้วยภาษาคำพูดซึ่งเป็นอื่นไปจากวาทะปรับป ร, รับปวาระแปลว่าพูดเป็นอื่นไปจากคำพูดของพระเจ้าวาทะในคำพูด ปรับประวาทิก็คือเป็นอื่นไปจากคําพูดของพระพุทธเจ้าก็ต้องมาปรับทั้งคําพูดมาปรับทั้งเนื้อแท้ะเนระธีมาปรับทั้งเนื้อแท้ถถ ท, แ ท, ที่จะพามาทำมาให้ถูกต้องให้ได้เนื้อหาสาระนะตอนนี้ก็พอเป็นไปอผู้ที่มีดวงตาผู้ที่มีความเข้าใจมีความรู้ อ่ายัางรอรังรังอยู่ก็เข้ามาช่วยกันอาจจะมากงจะมั่นใจว่าลงหลักปักแหลงของสถานที่ของที่นี่แหละราชธานีอโศกนี่แหละอ่าที่น้ำท่วมนี่แหละน้น้ำท่วมเรากลัวน้ำไหมล่ะไม่ต้องกลัวเพราะสัตว์จะเกิดมาจากธาตุน้ำ าาาาสัตว์จะเกิดมาจากธาตุน้าก่อนนะ ม, ม, มาจากรากฐานสัตว์จะเกิดมาจากธาตุน้าก่อนมันจึงจะสามารถเป็นชีวะได้ถ้าไม่มีน้าชีวะเกิดไม่ได้ชีวะเกิดโดยไม่มีธาตุน้าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแม่จะพืชขอให้มีน้ำมันก็ไปได้ละออ่ายังไม่มากพอไปได้ละ ยิ่งมีสารอาหารมีธาตุดินผสมเข้าไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆมันก็สําเร็จพอนะสังเคราะห์กันก็เป็นธาตุอากาศธาตุอุณหธาตุธาตุไฟมันก็จะเกิดพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้อาจารมาพูดภาษาอาจารยมาะคะใครฟังเข้าใจก็ฟังดีๆนะฟังเข้าใจไหมมันจะสังเคราะห์กันเนี่ยพัฒนากึนไปตามลําดับนะเพราะฉั้นในสังคมหรือว่าในสัตว์โลกในมนุษย์ มันเกิดมาจากความรู้ที่อาตมาสาธยายไปนเป็นความรู้ที่เราจะรู้รักจะพานุงความรู้แล้วเราก็ทำให้ม mm ัน hmm. ถูกสัดส่วนเมื mm ่อ hmm. มันถูกสัดส่วนมันก็วิวัฒนาการมันก็พัฒนาไปไดเ็เร็วเร็วเร็วก็เกิดจากคนทำคนที่มีปัญญาเรียกว่าปัญญาทางใจทางจิตมโนปุพังก็มาตมามันก็เจริญไปได้ไปได้แต่เราก็ต้องอาศัยทั้งแรงงานผู้ไม่ค่อยรู้ แต่มแตีแรงงานแม้มีแรงงานก็ต้องใช้ปัญญาตัดสินท่าอะไรก็ต้องสรัทาให้สมอาทิธิถ้าศรัทธาไม่สมอาทิธิก็ไปเป็นริ้วล้อจางสุเหลียงหมด่าไปเป็นริวล้อหน้ากากแดงแต่ถ้าเพื่อศรัทธาถูกก็มาเป็นพักพวกมาเรียกริวล้อก็มาเป็นพักพวกเขานักกากขาวก็จะพาเจริญไปไดน้น่ะ มันก็เป็นศัจธรรมที่เป็นจริงอยู่อาตมากล้าพูดตรงๆอย่างนี้แบ่งแดงแบ่งขาวอย่างนี้เนี่ยไม่ได้พูดเล่นพูดอย่างชัดเจนพูดอย่างชัดจริงตามปัญญาอาตมาผิดถูกอาตมาก็เป็นผู้ที่ยืนยันรับผิดชอบซึ่งอัาตมามั่นใจว่าอาตมาอ่านพ้ทธภูมิปัญญาอาตมาว่าสภาวะโลกโดยเฉพาะในเมืองไทยมันเป็นขนาดนี้เหตุการณ์ด่ากขาวก็กาลังเกิด อัตมาพยากรณ์ไม่ได้นะว่าจะเกิดไม่เกิดแต่ถ้ามนุษย์คนไทยตอนนี้นะคลื่นของหน้ากากขาวเกิดแล้วถ้าคนไทยตื่นรู้ว่านากา ก, ากขาวนี่แหละจะต้องแก้วิกฤตได้น้ากากขาวนี่แหละจะเป็นตัวแก้วิกฤตได้แล้ว คุณอย่าเป็นไทยเฉยถ้าคุณเป็นไทยเฉยแล้วก็ปิดปากไม่พูดไม่ต่อเชื่อมประสานกันขึ้นมาให้เป็นมวลบนไลัยแพย้ขอยืนยันอาเวลาหมดลงพอดีอาตมาก็จบขอจบด้วย ในปกของหนังสือเราคิดอะไรฉบับวางตลาดเมื่อวานนี้วันเกิดอาตมานะพูดไปสองไผเบีย้ยนิ่งเสียประเทศไทยพูดไปสองไผเบีย้ยนิ่งเสียประเทศไทย ฟังเป็นไหมเก่งนี่อนี่คําบังเพลยของของไทยนะมันเข้ากับสมัยเข้ากับยุคยุคนี้พูดไปสองไฟเบี้ยนิ่งเสียประเทศไทยถ้าคนโบราณเขาก็จะบอกว่าพูดไปสองไฟเบี้ยนิ่งเสียตําลึงทองแล้วความหมายก็กลับกัน แต่นี่ความหมายไม่ใช่เสียตำลึงทองเสียประเทศไทยเลยนไม่ใช่แค่ตำลึงทองนะพูดไปในเสียแค่สองภยัยแต่นิ่งสิเสียตำลึงทองไม่ใช่แค่ตำลึงทองนะประเทศไทยน ะ, ะไม่ใช่เสียแค่ตำลึงทองน ะ, ะเพราะงั้นตอนนี้นี่พูดอย่าเป็นใบ้อย่าเป็นนิ่ง นิ่งเสียประเทศไทยไม่ใช่เสียแค่ตำลึงทองน่าฟังพูดไปมากยิ่งแล้วไทยเอ่ยคนก็เฉยกับเฉยยากแท้ไม่เห็นแก่ชาติเลยจิตป่วยกระนั้นหรือตอมสานึกเสื่อมแย่ชำรุด แล้วกะไรชะไหนทุกไทยในขณะนี้คือใดไทยเห็นอยู่ว่าภัยมนุษย์บ้าระหำนักขนาดไหนทัดยิ่งลายชั่วอารวาสท้า หยาบช้าเกินคนไม่สนแม้ชื่อบ้านขออะไรไม่สนแม้คือบ้านแปรเมืองหยาบย่ำกระนําเครืองขัางแคนหักเหลี่ยมถล่มเหลืองมุ่งประหัดประหารแห่ ไทยบอกเคยมีแมนเช่นนี้ได้ฉะไหนหรือไทยจักสิ้นชาติศาสตร์กษัตริย์หรือจักถึงวิบัติแน่แท้หรือทั้งชาติขาดขัดสนกตะเวทิตา หรือจักหมดทางแก้ล่มแล้วเมืองไทยพูดไปใช่จ่ายเบี้ยสองไผ่หากนิ่งได้ตำลึงไทยไม่แล้วยิ่งนิ่งยิ่งไทยถลายถล่มตํำแน่เลย ไหดับแน่ไปแคล้วอยู่เท้าผด็จการสันดานดิบดีดดิ้นดำริศนาเงินบวกอันพานพาคลั่งร้ายมันบ้าเลือดเข้าตากระิทงดุมิปานแหล ชนคิดไม่เลือกคล้ายสั์แท้เดรัจฉานผนึกสมานกันร่วมผู้สู้ไทยเอยผนึกสมานกันร่วมสู้ไทยเอยเอาแต่นิ่งเชื่นเฉย ชาติสิ้นพูดเถิดเปิดปากเลยพูดเถิดเปิดปากฉเฉลยตามสิทธเถิดเทินแสดงออกช่วยกันปลิ้นถลกเนื้อในเหม็นเอวัง